ระยาบูบบาบาเวลาบรรลุมรรคผลต้องมีสติไม่ใช่บรรลุหนึ่งทีนะเอ้โงงั้นครูบาบรรลุบ่อยเลยแต่ก่อนเนี้ยรวมบูบ้บู้บูบ้ไปไๆไนะ <c oughs> ทีรวมปุ๊บหัวก็เดินไปทางตัวไปทางน <c oughs> ันนัน่นาการของสมถะสมรถะงั้นเวลาภาวนาอย่าเชื่อง่ายนะ